ขอน้อบน้อมต่อคุณพรรัตนไตรขอาการพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนซานลมิกทุกท่านจเจริญธรรมแชีและญาติธรรมทุก ท, ท่านเราก็ได้สวดธรรมบัดเช้าเนะเาะแล้วก็ได้สวดชัยมงคลคาถาก็คือบทพาวหุงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะศัตรูต่างๆเนาะ ตั้งแต่ช้างนาลาคิลิงมาร น, นะแล้วก็ศัตรูต่างๆมากมายนะที่ม า, าทํำลายพระเจ้าแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่ า, าด้วยเดชะตะบะของพระเจ้าเองนะที่ทําให้ศัตรูต่างๆก็มาทําไม่ได้นเนาะแม้แต่ช้างต่างๆก็ต้องยอมสยบน ะ, นะอันนี้ก็เกิดจาก พระเทวทัตเนี่ยก็เป็นหลักนะก็มีความอิจชา้านะมีความอิดช้านพผู้เจ้านี่แหละนะว่าผุ้เจ้านี่เป็นเป็นใหญ่นะถ้าหากว่าสามารถที่จะนะกำจัดผู้เจ้าได้ก็ตัวเองก็จะเป็นใหญ่แทนนะก็หาวิธีการแกล้งต่างๆนะแต่ก็ทำไม่ได้เนาะแล้วก็ยังมาจากพวกนิคนต่างๆด้วยนะพวกเนะดรัลทีต่างๆมากมายนะก็พยายามมาแกล้งมาอะไ มาส่งเช่นส่งนางจินจามันพิกามาทําเป็นท้องกับพระุทธเจ้าเป็นต้นนะแต่ก็ในสุดก็แพ้ไปทั้งหมดนะก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถชน ะ, ะมารต่างๆที่จะมาผจญได้นะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปโต้เถียงอะไรนะไม่ได้โต้เถียงอะไระเช่นนางจินจมันพิกาเนี่ยก็ ทุกนคนส่งมานะก็ทำเป็นเดินเข้าเดินออกในในวัดของพุทธเจ้านั่นแหละพอตอนเย็นชาวบ้านเดินออกมาจากวัดนางจินจมานิกาก็เดินสวนก็เปไปในวัดพอตอนเช้าชาวบ้านเดินเข้าในวัดนางจินจมานิกาก็เดินสวนออกมานอกวัดเหมือนกับว่ากลางคืนไปค้างมาอยู่เะนนั้นสักระยะหนึ่ง สามสี่เดือนขึ้นไปก็เริ่มเอาเอาเอ า, เอาไม้มาผูกทองแล้วเนาะในสุดก็ผูกไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นโตไปเรื่อยๆนะพอตอนหลังก็เห็นชัดเออผูกทองไปนะแล้วก็ประกาศนะตอนหลังก็ประกาศว่านั่นแหละก็ประกาศต่อหน้าชาวบ้านที่มาเลยนะบอกว่าทำไมไม่รับผิดชอบดูซิใครจะดูแล ลูกในท้องของเราพนระเจ้าก็ไม่ได้โตเถียงอะไรนะไม่ได้ไปว่ากล่าวหรือว่าไปโต้ตอบไปด่ากลับอะไรเลยบอกว่าน้องหญิงมีแต่เธอกับเราสองคนเท่านั้นที่รู้กันนะก็พูดเท่านี้เท่านั้นเองเนาะแต่หลังนั้นก็มีการกาวว่าเทวดาก็ทนไม่ไหวก็เลยปลอมเป็นหนูเข้ามากัดสายที่รัด ทองเนี่ยจนหลุดออกมาแล้วก็เห็นเออมีท่อนไม้ตกลงมานางจินมามวิกาก็โดนชาวบ้านลุมด่ากันนะในสุดก็โดนคอนีสูบตายไปนะก็เป็นแบบนี้เนาะพวกเจ้าก็ไม่ได้ไปโตเถียงกับใครเยอะท่านก็จะมีความสงบให้ดูน ะ, ะมีความเมตตามีสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นการอถอดถอนอจาก กิเลสได้จริงๆนะก็ไม่ไม่ไปโตเถียงกับใครเนะเพราะสิ่งสาคัญที่พระเจ้าได้ชนะมาทั้งหมดนะ่ก็สูนะ้ประกาศสำคัญคือพระเจ้าได้ทรงชนะกิเลสในใจของตัวเองเนี่ยไม่ได้เนาะนะการที่ชนะในกิเลสในใจของตัวเองได้แล้วเนี่ยก็คือสามารถชนะมาได้ทั้งหมดนั่นเองนะเพราะมาทั้งหมดก็คือกิเลสในใจของเราเท่านั้นเองนะนะยกตัวอย่างเช่นนะสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เดินทางไปกับพระภิกษุ ส, สงหมู่ใหญ่ไปยังเมืองเมืองหนึ่งอาจจะเป็นเมืองอุเชนี ก, ก็ได้เนาะ <c oughs> ก็พอดีนางอมาคันธิยาซึ่งเมื่อก่อนนั้น่ะก็เหมือนกับเป็นคู่ปรับกับพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้ใหม่ๆนะก็เคยเดินไปที่อ่าเหมือนกับสถานที่แห่งหนึ่งนะแล้วก็อ ปรากฏว่าตอนหลังมีพามมาเห็นอ่พามก็พามนี้มีลูกสาวคือนางมารคะนิยาเนี่ยแหละสวยงามมากใครๆจะมาขออมีทั้งเศรษฐีหรือมีกรรษัตริย์ต่างๆมาขอมากมายอพามนี้ก็ไม่ยกให้ตอตอนหลังพามนี้ก็มาเห็นพระพุทธเจ้ามีลักษณะสวยงามก็จะยกนางมารคะนิยาให้พรุทธเจ้าพรพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับเพราะตอนนั้นท่านก็เป็นบวชแล้วและเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะ ต่อมาก็เศรษฐีก็เลยพานางมคนิยามามาให้พระเจ้านะมาให้พระเจ้าดูว่าเออสวยงามขนาดไหนเผื่อจะเปลี่ยนใจจะยอมรับพะพุทธเจ้าบอกว่าอแม้แต่ปลายเท้าก็ยังแม้แต่สิ่งที่นางเนี่ยเปรียบไม่ได้อแม้แต่เล็กน้อยอที่พระเจ้าเช่นอ ปายเท้าของพระองค์เนี่ยก็ไม่ไม่สนใจเลยเ น, ะนาะนางมาคินยาก็มีความเจ็บแค้นมากนะเขาไม่เคยมีใครมาพูดขนาดนั้นนะมีแต่คนจะมาพูดดีๆแต่เพราะความเจ็บแค้นนั้นต่อมาก็เป็นมาเฮสีของพระเจ้าอุทเทนนะของเมืองนั่นแหละแล้วก็ต่อมาพระเจ้าก็ของเมืองว่าอุเชนีนะต่อมาพระเจ้าก็น่าจ ะ, สะเสด็จไปที่เมืองอุเชนีนี่แหละ มาคันิยาพ h ร, รู้ว่าพระเจ้ามาก็เลยจ้างคนมาคอยด่าครั้นงนี้พอมาด่านะพระนรนก็บอกว่าอขอให้เราขอให้พระพ /hr เจ้าเนี่ยสเสด็จไปเมืองอื่นเถิดนะอย่ามาอยู่เมืองนี้เลยพระพ /hr เจ้าบอกว่าถ้าไปเมืองอื่นแล้วมีคนมาด่าจะทําอย่างไรพระนนบอกว่าก็เดินทางไปเมืองอื่นต่อไปอีกพรนะพ /hr เจ้าบอกอันนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทาง เหตุเกิดที่เมืองไหนเหตุเกิดที่ใดก็ให้ดับณที่นั้นนะอย่างเหตุเกิดที่เมืองนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้เขาดับไปนะเขาก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานหรอกนะเขาดาก็ดาไม่เกินเจ็ดวันนะในสุดเขาก็ไม่เกินเจ็ดวันเขาก็หยุดดาไปเองนะก็คือเหตุเกิดที่เมืองนี้ก็ให้ดับที่เมืองนี้ไม่ต้องหนีไปเมืองอื่นอันนี้ก็คือเหตุเกิดขึ้นที่ใดก็ให้ดับณที่นั้น จริงๆเหตุเกิดที่ไหนก็คือเกิดที่จิตของเรานั่นแหละนะจิตของเราถ้าเรายังมีความเป็นอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นในกายและในใจว่าเป็นของเราแล้วนะเมื่อใครก็มาด่าเรานะมันก็จะเกิดเหตุตลอดเวลานะในใจของเราเนี่แหละเข้ามาด่าเราเข้ามานินทาเราเข้ามาตาหนิเราเข้ามาดูถูกเราเข้ามากล่าวว่าเราตรงนี้ก็คือเข้ากระทบเราตลอดเวลานะ แต่พุทธเจ้าในท่านก็ไม่กระทบแล้วนะท่านก็รู้ว่าเออกายและใจนะ่ะก็ไม่ใช่ของท่านแล้วนะกิเลสที่จะยึดถือในความเป็นกายและใจว่าเป็นตัวเป็นตนก็หมดไปแล้วนะท่านก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอแต่ไหนขณะนั้นพระนนท์ก็เป็นแค่โซดาบันนะก็มีความสะดุ้งสะเทือนในคําด่าของผู้ที่มาลุมกันด่าในครั้งนั้น <c oughs> เพราะว่ายังไปแก้เหตุที่ใจ ที่มีความวันไหวมีความกระเพื่อมมีปฏิกิริยาที่ไปยึดติดในความที่ยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆในตรงนั้นนะก็เลยกระเทือนไปเพราะฉะนั้นปุถุชนโดยทั่วๆไปก็เป็นเช่นนั้นนั่นเองเนะเมื่อกระทบเหตุใดๆเกิดขึ้นมาในใจก็จะเกิดความวันไหวเกิดการสะเทือนเกิดการสเสวยอารมณ์นะ จนก่อให้เกิดนะความทุกข์คือเวทนาคือความสุขความทุกข์ตามมานะหลังนั้นก็เกิดตัณหาคือความยึดติดนะความทยานอยากในตรงนั้นนะอยากจะได้มากขึ้นหรืออยากจะผักใสนะต่อมาก็อกิประทานนะก็คือความยึดติดนะความยึดมั่นถือมั่นนะในตรงนั้นนะว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะ หลังจากอุปทานแล้วก็จะเกิดภพนะเกิดชาติเกิดชรลามรณะตามมานะคำว่าภพและชาตินั้นนะถ้าในความหมายของจิตก็คือการเกิดการปรุงแต่งในความที่มีความเป็นตัวตนในตรงนั้นขึ้นมาอันเองเนาะเมื่อมีความเป็นตัวตนขึ้นมาในตรงนั้นก็จะเกิดทุกเวทนาต่างๆ ต, ตามมานะแต่ในความเป็นตัวตนในตรงนั้นนะ ถ้าในปฏิจจสมบัติในวงใหญ่ก็คือความเป็นตัวตนจริงๆในความที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดจริงๆนะในตรงเนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าคนที่ตายไปในขณะที่ยังมีความยึดติดยึดมั่นนะในตัวในความเป็นตัวตนอยู่นะในความมีตัวเราตัวเขานะนะในนะสรรพสิ่งทั้งหลายก็ยังเป็นอุทานอยู่ก็จะต้องนําให้ไปเกิดเป็นภพเป็นชาติอนะ ชลามรณะจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กล่าวไว้อย่างแท้จริงเพราะการเวียนวายตายเกิดนี่มีอยู่จริงเนาะทุกวันนี้คนไม่ค่อยจะพูดในตรงนี้กันจะไปสรุปแค่ตรงจิตเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นอันตรายสำหคนที่บางคนที่มีการศึกษายังไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็จะชอบตรงนี้อยู่แล้วนะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความจริงนะถ้าหลีกเลี่ยงความจริงได้ก็คือสามารถทําบาปทํากรรมได้โดยอ่า ไม่ตะกิตตะขวงใจนะเพราะเราจะได้ดินข่าวทุกวันนี้น่ากลัวมากนะสังคมทุกวันนี้มีการทําแท้งกันมากมายนะทําแท้งเถื่อนต่างๆมากมายนะมีการอแม้แต่ลักรวมเพศก็มีเยอะนะหรืออทําผิดทําชั่วต่างๆอเสพยาเสพติดฆ่าพ่อฆ่าแม่นะอจรกรรมอ ขโมยสิ่งของฆ่ากันมากมายเลยนะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะไม่เชื่อในนรกสวรรค์มีจริงนะเลยทำความชั่วกันอย่างง่ายง่ายง่ายได้เพราะไม่มีเหตุยับยั้งใจไม่มีสิ่งที่มา เขาเรียกว่าเป็นฮีริโอตปะคื อ, อความที่เรามีความลายกับบาปแม้แต่ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นนะในตรงนี้เราก็จะไม่ทําความชั่วในสิ่งเหล่านั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตสํานึกจากใจเราจริงๆนะเหมือน่ัคนสมัยโบราณคนสมัยโบราณเขาจะเชื่อพวกนี้ร้อยเอร์นะคนสมัยโบราณน่นแหละจะเชื่อร้อยเซนเลยเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่พยายามรักษาจิตใจของเขาให้มีความ สงบให้มีความเมตตาแล้วก็เป็นคนที่รักษาศีล5้าอยู่ในตัวโดยที่แม้จะไม่มีใครเห็นเขาก็ไม่ทําบาปกันเราว่าเาเชื่อสิ่งเหล่านี้ร้อซนะเพราะฉะนั้นการที่อาจจะผิดศีลผิดธรรมต่างๆนะมีน้อยมากในสมัยโบราณนะแต่ในสมัยเรานี่ก็ผิดกันเยอะแยะผิดมากมายนะเพราะว่าส่วนหนึ่งจากการที่เขาไม่เชื่อนี่แหละ ว่าบาปกรรมนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมมีอยู่จริงนะแม้แต่พระที่จะตั้งใจพูดจริงๆก็มีน้อยมากนะมีน้อยมากทีเดียวนะจึงเป็นเหตุให้สังคมทุกวันนี้มีความเสื่อมไปนะเมื่อเสื่อมแล้วปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็ตามมามากมายนะก็ต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการในสิ่งเหล่านี้นะตั้งแต่ตำรวจอายการผู้พากษานะ ผู้คุมเรือนจำนะพัสดนะีหรือไม่ก็เจ้าพนัก ง, งานพิทักษ์ทรัพยนะ์ต่างๆ เ, เข้ามาเป็นกระบวนการยุติธรรมมากมายนะซึ่งทำให้สังคมของเรานี่กลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวรัฐเปียบนะมือใครยาวสาวได้สาวเอานะเพราะว่าจิตใจนี้ไม่มีคุณธรรมอยู่ในตัวนะเพราะอีส่วนหนึ่งก็คื อ, อ เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในในใจได้จริงไหมอ่าถ้าไม่มีใครเห็นเราแล้วเนี่ยเราจะทําความชั่วได้ไหมนะหรือเราจะทําความดีได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเห็นได้ไหมนะเด็กก็เรียกว่าปิดทองหลังพระได้ไหมนะบางคนก็จะต้องให้คนเห็นก่อนค่อยทําความดีนะหรือต้องอทําความดีแล้วต้องมีการประกาศชื่อนะมีการจารึกชื่อ อันนั้นก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่การทําความดีที่แท้จริงนะการทําความดีที่แท้จริงก็คือทำํำจากใจของเรานี่แหละทําเพื่อคนส่วนใหญ่เขาให้เขามีความสุขไม่เบียดเบียนใครนะมีความเมตตานะช่วยเหลือสังคมที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติทําได้แล้วเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราไปบัดมาหลายๆปีแล้วเออทำไมเรายังเป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่นะเป็นคนขี้โกรธ เป็นคนคิดมากเป็นคนจมในอารมณ์ต่างๆโดนใครตาหนินิดนเดียวก็มานั่งคิดเป็นวันๆนะหรื อ, อใครก็มาชมเราเราก็ดีใจนะอันนี้เ็เรียกว่าจิตของเราก็ยังกระเพื่มนะยังมีการฟูการแฟบนะตรงนี้จิตของเราก็ยังปล่อยวางไม่ได้เร็วนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไปยึดติดในความเป็นตัวตนของเรานี่แหละนะเพราะนั้นเมื่อเมื่อเราเข้าไปมีส่วน คิดว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งต่างๆนะเราอาจจะเห็นเพื่อนเราเ อ, อจเริญก้าวหน้าดีว่าเราเราก็ปิดฉากเขานะนั่นแหละก็แสดงว่ า, าความเป็นตัวตนเราเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะอะในตรงนี้เรายังละจริงๆไม่ได้หรอกเพราะเรายังมีส่วนได้เสียในทุกๆเรื่องนะเราจะต้องอสังเกตให้ได้ในตรงนี้ว่าเออเรานวางใจได้จริงๆไหมนะ เพราะถ้าเราสามารถที่จะวางใจในตรงนี้ได้อย่างจริงในความที่ไม่ให้ตัวไม่ตนจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเองนะมันจะเริ่มต้นจากการที่เร า, าวางในตรงนี้ได้ก่อนน ะ, ะเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เห็นรูปเห็นนามก่อนน ะ, ะให้แยกรูปแยกนามต่างๆได้ก่อนใช่หมอพอเราเข้าใจตรงนี้ว่าเออมันก็เป็นแค่รูปแค่นาม ไม่ใช่ตัวเมตตนแล้วมันก็วางไดเองนะกิเลสต่างๆมันก็จะลดไปตามลำดับนะมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเออมันไม่ใช่ตัวเมตตนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็การดิ้นรนใงใจมันก็น้อยลงนะแต่ถ้าเมื่อมีตัวมตวมตนของเราอยู่ตราบใดก็คือเมื่อเรายังไม่ได้เข้ามาเห็นว่ากายและใจเป็นแค่รูปแค่นามอยู่ตราบใดมันก็ยังมีการดิ้นรนอยู่ตลอดไปนในการที่เรา จะทยานอยากไปในลมต่าง ๆ, ๆนะต้องแปลวดีในรมต่างๆให้เราดีแล้วิเศษเราเก่งเรามีชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นการทยานอยากในตัวตนทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมถึงระดับงแล้วเนี่ยในเมื่อตัวตนเราลดลงไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ต้องเล็กลงนะเราก็จะมีความนอบน้อมมีความเข้าลบท่าสามารถที่จะ เขาลบใครก็ได้น ะ, ะกราบการใครก็ได้ด้วยความเต็มใจนะหรือรับใช้ใครก็ได้น ะ, ะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครใครก็ได้นะอันนี้แสดงถึงคุณธรรมที่สูงขึ้นในตัวเรานะแต่ถ้าเราไปบัตรธรรมแล้วเรามีความหยิ่งพยองว่าเราไปบัตรธรรมได้เก่งนะเก่งกว่าเขานะเรามีสติดีกว่าเขานะหรือมีสิ่งต่างดีกว่าเขาหรือแม้แต่ไปบัตธรรม เราเดินจงกรมได้ห้าชั่วโมงนะเขาเดินจงกรมได้1ชั่วโมงนะเราก็คงเก่งกว่าเขามั่งอันนี้ก็คือความเป็นมานะเป็นทิฐิทั้งสิ้นนะมันก็ไม่ได้เป็นการละตัวตนไปอย่างใดเพราะว่าในสังโยชน์ทั้ง10สังโยชน์ทั้งสิก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่สักกะทิฐิให้ได้ก่อนนะสักกะทิฐิก็คือการละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละ ถ้าผู้ใดที่ละสังโยชน์ตัวแรกได้นะก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเราบุคคลตัวตนเราเขาในตรงนี้เขาเรียกว่าเราได้อะการแรกที่จะเข้าสู่เป็นภริยาเจ้าแล้วนะอภคารที่สองก็คือวิจิกิจชาก็คือความลังเลสงสัยต่างๆมากมายนะที่ลังเลสงสัยมากๆก็คือเรื่องอริยสัจสนี่แหละเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรร นะีไม่รู้ว่าตรงไหนคือทุกข์ตรงไหนคือสมุทยัยอ่าไม่รู้ว่าตรงไหนคือนิโรธตรงไหนก็คือมรรคอ่ามีความสงสัยตลอดนะแล้วก็อ่าไม่มีความอ่ามีความมั่นใจในอ่ากฎแห่งกรรมนะในการเวียดบายใจเกิดต่างๆเนาะตรงนี้พระเจ้าได้พูดในเรื่องชัดๆนะว่ากฎแห่งกรรมนี่ก็มีอยู่จริงนะอย่างที่ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดเป็นอ่นะาคาถาไว้ว่า ยาที่สังว่าปะเตพีชังตาที่สังล ะ, ะเตพลังกัลยาณนะกากัลยาณนะ์กาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังผู้ใดวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเชนั้นผู้ใดทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบแทน น, น, นี่ก็คือพระเจ้าก็ได้ทรงตักไว้ชัดเจนแล้วในตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วกฎแห่งกรรมนี่มี ตัดเอไว้มากมายเลยนะอ่ามากมายทีเดียวนะในการที่เราทํากรรมันไดไว้เราต้องได้รับผลกรรม น, นั้นนะเพราะว่าจริงๆระพุทธสตานี้ก็คืออยู่ในพื้นฐานของกฎแห่งกรรมอนะ่การที่เราต่อไปเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆนั่นก็คือกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้ทางนั้นนะนะเช่นใครไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็คือผู้นั้นก็สร้างกรรมเอาไว้ในตรงนั้นที่ทําให้จิตใจมีความร้อนรุ่มอ่านะไปด้วยไฟโทสะนะอ่านะ มันก็ไปลงนรกนะผู้ใดที่มีความโลภมากก็ไปเกิดเป็นเปรตผู้ใดที่มีโมหะมากก็ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานผู้ใดที่ทําความดีไว้วงมา ก, มากให้ทานมากๆ ก, ก็มีโอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาผู้ใดที่เจริญฌานนะในขณะตายไปจิตมีความทรงฌานอยู่ก็ไปเกิดเป็นพรหมส่วนผู้ใดที่สามารถทําจิตให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสก็เข้าถึงพระนิพพานนี่ก็คือเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทั้งนั้น ไม่มไ ม, ม่ไม่มีไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่จะมาลิขิตชีวิตเราในตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นความที่เรียกว่าเป็นความยุติธรรมนะเป็นสามารถที่เราจะทำไดจริงในพุทธศาสนานะเพราะนั้นผู้ใดที่ปัญนาจะอยู่ในภพใดไปเกิดเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้ในชาตินี้เนา ะ, ะเช่นใครใหญ่ไปเกิดในนรกเราก็โกรธ บ, บ่อยๆก็แล้วกันนะใครอยากไปเกิดเป็นเปรตก็โลกบ่อยๆ เท่านั้นเองนะใครเกิดอยากเกิดเป็นสัตว์ดิก็ทําตัวให้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะหลงหลงต่า ง, า ง, า ง, างๆเยอะๆนี่แหละอย่าไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมหรือไปมีพระนิพพานแล้วก็ทํำด้วยตัวเราเองทั้งทั้งสิ้นนะอันนี้ก็คือหลักการของมระพุทพระพุทธศาสน า, า, า, าจริงๆนะเป็นหลักการที่ว่าใครทําสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นเหนะมือนกับเร า, าปลูกต้นมะม่วงเราก็ได้ผลมะม่วงตอบแทนนะ ใครปลูกสิ่งใดไว้ก็ได้เสิ่งนั้นตอบแทนนะเป็นความยุติธรรมที่แท้จริงแล้วถ้าบุได้ที่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็จะรู้ว่าทุกๆขณะจิตนี้เราจะไม่ทําความชั่วเลยนะไม่ว่าทางกายแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำความชั่วในสิ่งต่างๆนะไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรัปกทัพย์ใครไม่ประพยยึ่งพินัยกรรมไม่ไปดื่มเหล้าต่างๆเหล่านี้นะในทางวาจาเราก็จะไม่พูดโกหกไม่พูดโป๊ะปรด ไม่พูดแดกดันนะไม่พูดส่อเสียดไม่พบไม่พูดกระทบกระเทียบนะไม่พูดดูถูกดูหมิน่นใครนะในทางใจนะเราก็รักษาใจของเราให้ดีนะในใจของเรานี้นะไม่คิดไปในทางอากุศล น, นะบางทีบางคนก็ชอบคิดในทางอากุศล ต, ต่างๆก็มีนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไหลไปในทางอากุศลแล้วนะมันก็ไปปรุงแต่งให้เราทําด้วยกายและวาจาตามมานะ พรถ้าผู้ใดสามารถรักษาจิตได้ผู้นั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เร็วนะเหมือนกับในครูบาอาจารย์นะยังยกตัวอย่างในหลวงปู่ม่านนี่แหละหลวงปู่ม่านนี่ในยุคของท่านนีนะ้จะมีลูกศิษย์ในยุคท่านนี้ที่บรรลุธรรมกันได้มากมายนะมีชื่อเสียงตามมาอีกมากมายนะยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่จวนหลวงปู่เทศ หลวงตามหาบัวหลวงปู่ดูลย์พระอาจารย์สิงห์ทองนะครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายเนี่ยก็เป็นที่นับถือต่อๆมาๆมากันอีกเยอะแยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่อยู่หลวงปู่มั่นเนี่ยจะต้องคอยรักษาจิตนะก็คือท่านสามารถที่จะรู้ว่าใครคิดอะไรนะถ้าใครคิดอะไรไปทางไหนในทางนอกรููนักทางนะต่อมาท่านอริยเทศนะเทพ เทปปุ๊บเนี่ยคนจะรู้เลยว่าต้องกระทบใครคนใดคนหนึ่งนะก็เป็นเรื่องจริงนะคนที่ไปคิดเช่นั้นนะก็จะรู้ว่าโดนกับตัวเองแล้วนะแล้วโดนแรงด้วยนะบางคนที่โดนไล่ออกไปเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่หลวงปู่มันนี่ต้องคอยรักษาจิตให้ดีนะอไม่ไปคิดในทางอากุศลใดๆนะหรือคิดฟุ้งซ่านก็ไม่ได้นะก็ยังโดนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาจิตของตัวเองในตลอดเวลานะให้จิตนะไม่ไป ไหลไปในลมต่างๆนะก็กลับมาสู่ปัจจุบันได้ได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นโอกาสนะที่ว่าเออได้อยู่ครูบาจารย์ระดับเนี้ยอ่านอกจากที่เราจะระวังในเรื่องกายเรื่องวาจาแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังใจด้วยนะเพราะงันการที่เราจะมีโอกาสบรรลุธรรมมันก็ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเราอ่าไม่มีการเราไม่เร า, เ ร, า, เ ร, าระวังกายระวังวาจาก็จริงแต่เราไม่ระวังใจอย่างเรานี้นะ มันก็เป็นเหตุที่มันจะไหลไปนะในอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้มันก็ทำให้การที่เราจะเข้าถึงธรรมมันก็จะช้าลงนะเรากออ็ต้องสามารถที่จะทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วจริงๆแล้วก็วางอารมณ์ต่างได้เร็วจริงๆงงงเงนาะต่อมานะสังโยชนิสานมันคือ สีรับประตาปลรมาดนะก็คือการที่เราไปยึดมั่นสิ่งอื่นว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยแทนพระตนาตัยนะเช่นทุกวันนี้ก็จะมีอยู่เยอะเลยนะบางทีก็ต้นกล้วยบ้างหมูสามหางเป็ดสองหัวไก่สี่ขานะอะไร แ, แปลกๆนะบางคนก็ไปยึดไปกราบไปไหว้ก็มีนะต้นไม้ก็ไปโดนขูดกันนะ หรือแม้แต่ยึดมัน่นเทพเทวดาอสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่หนทางจริงๆนะอันนี้ก็เรียกว่าเราไปยึดถือในทางที่ผิดอหรือหรือจะไปยึดมั่นในศีลมากเกินไปนะก็เรียกว่าเราไปยึดมั่นในศีลมากเกินไปศีลพดยึดมากเกินไปจนทําให้เกิดความไม่สบายใจนะเพราะนั้นบางทีบางบางบา ง, บางวัดนี้เขาก็ยึดมั่นตรงนี้มากเกินไปจนเกิดความไม่สบายใจก็มีว่าเราผิดศีล ตรงนั้นตรงนี้นัเรื่องยุบยิบยุบย่อยเต็มไปหมดเลยนะตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดทําไม่ได้นะพอทําผิดนิดนึงก็ไม่สบายใจนะนี่ก็เรียกว่าไปยึดมั่นมากเกินไปนะบางคนก็ไปรูปคําในศีลก็คือไม่ไม่ยึดมั่นในศีลก็มีนะก็ปล่อยปะละเลยไปนะคือกลายเป็นว่าอสามารถทําผิดศีลได้ง่ายๆนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่รักษาศีลก็คือต้องรักษาด้วยความเข้าใจในเจตนารมในตรงนั้นนะ เราก็ไม่ทําผิดศีลด้วยะแล้วก็ไม่นะไมปยึดถือสิ่งที่ผิดๆอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยแทนพระธรรมไตนะ่ตรงนี้เราก็จะได้อไม่มีไม่ผิดนะในศีลปฏิบัติป ร, าปรมาจารเนาะต่อไปนะข้อที่สี่อันนี้ถ้าสามถ้าผู้ใดที่สามารถที่จะอในสามอย่างนี้ในขั้นต้นนะก็คื อ, คอสังฆทิฏฐิวิจิกริชฌะและศีลปัติป ร, าปรมาจรเนี่ยผู้นั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ และเป็นภาสกิทาคา ม, มีได้ด้วยนะต่อไปข้อที่สี่ก็คือปฏิฆาการที่เราสามารถที่จะปล่อยวางละปฏิฆาคือความบอใจความพอใจในความโกรธนะคือความที่เรามีจิตเป็นคนที่มีปฏิฆาก็คือความที่เราไม่พอใจอต่างๆได้ง่ายนะปฏิฆานี้ก็มีมากมายนะทั้งความโกรธความงุนงิดความไม่พอใจ ต่างๆเยอะๆเลยนะมันก็จะนําให้จิตเราเนี่ยมีโทสะขึ้นมาจิตมีความร้อนโลนเพราะโทสะนี่ก็เป็นเหตุให้จิตมีความร้อนโลนผู้ใดที่โกรธคนอื่นนะคนนั้นแหละเป็นคนที่ทุกข์เองนะบางทีเราไปโกรธเขาเนี่ยคนที่โดนเราโกรธนี่เขาไม่ทุกข์หรอกแต่ตัวเรานี่นแหละเราก็จะมีความทุกข์เองนะสมัยก่อนนะอาตมาก็เรียนตอนนั้นยังเป็นเรียนหนังสืออยู่เลยนะ ก็เหมือนกับเราไปทําให้คนนึ่งเขไม่พอใจขึ้นมาเรายังไม่รู้เลยไปทําำมันก็ไม่พอใจในเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยไม่เคยมีความทุกข์ในตรงนั้นเลยแต่ตอนหลังในเรียนจะจบแล้วมีเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเขาโกรธเรามาตั้งหลายปีแล้วโกรธมากเลยนะเพราะเราไปทําให้เขาไม่พอใจจริงๆแล้วเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่เราก็ไม่รู้เราว่าทําให้เขาไม่พอใจตอนเราก็ไม่รู้ด้วยไม่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรด้วยสมัยนั้นแต่เขามาโกรธอยู่เราต้องนานตอนหลังก็มาดีกันนะเขาบอกว่า มานต้องหลายปีแล้วนะเ อ, อความจริงเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้นะถ้ามาบอกไนดะ้สมัยนะั้นเราคงขอโทษไปแล้วลวนะใช่ไหมอุดลายเก็บความโกรธไปตั้งหลายปีอันนีออ้แสดงว่าเขาไปทุกข์เองนะแต่เราก็ไม่เคยทุกข์ในตรงนี้เลยนะเพรา ะ, ะนั้นบางทีเนี่ยคนที่ไปโกรธคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเรามีความทุกข์เองนะคนหนึ่งก็ไม่ทุกข์หรอกใช่ั้มเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้นะเวราจิตใจในขณะที่มีความโกรธนี้ก็เรียกว่าต้องไปลงนรกทันทีนะ อ, อ่ ต่อไปข้อทีอ่5นะก็คื อ, อะล ะ, อะกามรมาลาคะได้น ะ, ะกามรมาลาคะนี่ก็คื อ, อความที่เรามีกามรมาลาคะเช่นในเพศต่างๆนะมีความกำหนัดนะมีความยินดีต่างๆในทางเพศนี่แหละนะมันก็เป็นอันตรายนะกับพรหมจรรย์เราก็ต้องละตรงนี้ให้ได้นะนะอย่างที่พระเจ้าก็ได้ทรงตัดเวลา ว, ว่าเออการเอยเราเห็นต้นเขาของเจ้าแล้ว เจ้าเกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดก็คือความดํำรินั่นเองต่อไปเจ้าจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นจริงๆและการการหรือการมราคามันก็เกิดจากความคิดของเรานั่นเองนะบางทีเราเห็นสิ่งนีดเดียวเราก็ไปคิดเยอะๆมากมายไปปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดการมราคะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นในสื่อต่างๆนะสื่อต่างหมายทั้งทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อภาพยนตร์ต่างๆ เขาเข้าใจกิเลสของมนุษย์ในตรงนี้นะเขาก็เลยพยายามผลิตสื่อเหล่นานี้ออกมาเนี่ยแหล ะ, ะบางทีจะมีภาพเหล่านี้ออกมามีเรื่องราวในสิ่งต่างๆเหล่าลนี้ออกมาอพอมีสิ่งเหล่านี้มาก็ขายดีนะขายดีมากหรือคนจะดูกันมากนะถ้าใครทําก็ขายดีแล้วจะดูกันเยอะเข้าไปพักคนเนี่ยชอบในถึงเหล่านี้อยู่แล้วจิตมันติดในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะ ม, นนวมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นกิเลสรากเง้าของมนุษย์เลย ว่าที่คนเราต้องเกิดเนี่ยก็คือเกิดจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองเนาะที่เรามาเกิดเนี่ยก็คือเกิดจากพ่อแม่เราเนี่ยเขาก็มีการมราคะนั่นเองเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คือธรรมชาติก็เลยกลัวมนุษย์จะสูญพันธ์นะก็เลยต้องสร้างการมราคานี่ให้มนุษย์เนี่ยสืบพันธุ์ต่อไปเป็นการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเขาเรียกว่าตามสัญชาตญาณนะเพราะฉะนั้นสัตว์นี่ไม่มีใครสอนเขาก็สามารถทําการสืบพันธุ์เขาได้เองนะเพราะฉะนั้นการมราคากิงอยู่ในใจของเราทุกคนนะ ถ้าเราละตรงนี้ไม่ได้ก็คือเราจะต้องไปเวียนบายใตาเกิดใหม่นะในภบชาติดวงตาอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นก็ต้องละให้ได้อย่างแท้จริงนะการละก็คือนะการที่เราไม่คิดนะพยายามไม่เห็นไม่ดนะูไม่ฟังในสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการตัดนะการหลักฐาได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะการที่เรามาอยู่วัดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไม่มีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนะนะแต่ถ้าเราอยู่บ้านแล้วก็จะพบเห็นสิ่งในอยู่ประจำ ได้ง่ายวันเราการมาอยู่วัดก็คือเราตัดนะสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็จะมีความสงบลงแต่ในขณะที่จิตเราสงบลงแล้วเราก็ไม่ไปคิดต่อในสิ่งเหล่านั้นนะบางทีเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่เราไปคิดเองก็มีนะมันก็จะสร้างการมราคคาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครละได้อสองอย่างก็คื อ, อปฏิฆาและการมราคคาเนี่ยก็จะได้เป็นพระอนาคามีนะอนาคามีนี่ก็เรียกว่าเกิดีแค่ชาติเดียวนะก็คือไปเป็นพรหมนั่นแหละ คือไปบเป็นพรมแล้วก็สำเร็จชั้นบนเลยไม่ต้องลงมา <c oughs> ต่อไปสังโยดห์อีกอีกห้าตัวที่เหลือนะใครสำเร็จในตรงนี้นะก็เป็นพระรหันเลยน ะ, ะก็มีรูปประราคะก็คือความติดในรูปนะรูปประชานเป็นต้นน ะ, ะผู้ที่ติดนิมิตรทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าติดในรูประหาคาะข้อที่หนะข้อที่7ก็คืออารูปประหาคานะผู้ที่ติดในรูปปรนะชานก็เรียกว่าติดในรูปราคะ ต่อไปก็ตัวที่แปคือมานะนะความที่เรามานะว่าเราดีอยู่เขาเราเก่งกว่าเขานะเราเสมอเขาหรือเราต่ำกว่าเขานะต่อไปตัวที่9ก็คือนะอุทาาัศาจักขุกจัคือความฟุ้งซ่านไปในลมต่างๆนะตัวที่สิบคืออวิชชาความไม่รู้จริงนะความไม่รู้ในอริยสัจสี่ความไม่รู้ในอคัญห้นี้ว่าไม่ตัวไม่ตนนะ ความไม่รู้ในสิ่งที่เรียกว่าความหลงความยึดติดต่างๆนะในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะที่เรายังติดอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วว่าวิชาในตัวนี้มันก็เหลือน้อยแล้วนะเพราะเราสามารถที่เข้าใจในเรื่องขันห้าแล้วนะแต่มันยังมีความไม่รู้อะไรที่เล็กๆน้อยๆอยู่นะเราก็เขี่ยไปนะความไม่รู้ในตรงนี้ก็คือความหลงรู้หล ง, ลงเข้าไปรู้นั่นเองนะเพราะครูบาอาจารย์เนี่บอกว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ลองวังตัวรู้ด้วยเนี่ยมันก็จะได้ไม่หลงรูงง้นะจะได้อาวิชชาลิธาจริงนะอ่านะ เพราะนั้นเมื่อเร า, าละตรงนี้ทั้งสังโยชน์ทั้งสิธเนี่ยเขคือความพ้นทุกข์นั่นเองนะาสามารถที่จะบรรลุธรรมสําเร็จได้ในชาตินี้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมเราก็สามารถที่จะเข้ามาในตรงนี้นั่นเองนะเข้ามาในตรงนี้ได้นะบางคนบอกเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินนะเป็นเรื่องที่ยากนะนะมันยากไหมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าจิตเราเนี่ยมันวางได้มากน้อยเท่าไหร่ มันสามารถที่จะสังเกตได้เหมือนกันน ะ, ะที่พระเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับช่างช่างไม้นี่แหละก็จะใช้มีดในการทํางานฝีมือนะก็ไม่รู้หรอกว่าด้ามมีดมันสึกไปเวลาเท่าไหร่แต่เมื่อนานไปก็จะรู้ว่าด้ามมีดเริ่มฝึกไปแล้วเริ่มศึกไปแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่รู้หรอกว่ากินเหเราลดไปเท่าไหร่แต่นานไปเราจะเริ่มสังเกตว่าความโลภความกดความหลงในใจเราก็จะลดลงไปบ้างน ะ, ะตรงนี้เราก็ลองสังเกตดูว่ามีอยุ่ไหม แต่ถ้าเราไปบัตรธรรมแล้วเออมันเพิ่มขึ้นนะความโกรธแล้วก็เพิ่มขึ้นความโลภความหลงก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเราจะไปบัติธรรมไม่ถูกทางแล้วนะอาจจะเราวางใจไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือเป็นสิ่งเราจะต้องสังเกตดูให้ดีนะแต่ถ้าเราทําถูกต้องแล้วถึงแม้จะละไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไรละได้เล็กได้น้อยหรือเรารู้ทันก็ยังดีนะดีกว่าให้เขาจมในใจของเราต่อไปนะเพราะหนทางเหล่านี้นะที่เราสามารถรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้นะ มันจะนำเราพ้นทุกได้อย่างแท้จริงนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านน ะ, จะเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้ที่แท้จริงในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทอญ